เออผมถามตัวเองตลอดเวลานะฮศึกษาธรรมานี่นะแล้วทําไมทําไมเราไม่ไม่พิจารนามไม่ตึกเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ก็พยายามที่สุดเนึ่ยนะพยายามผมเชื่อว่าผมพยายามมากกว่าคนคนอื่นหลายหลายคนในที่นี้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าภัยใกล้ตัวมายะประการที่หนึ่ง อ, อภัยใกล้ตัวมาแนละ้ไม่ทราบว่า อีกประเดี๋ยวหรือพรุ่งนี้เนี่ยเราพร้อมที่ไปเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเทวดาเป็นได้รวดเร็วมากเลยนะพร้อมที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เร็วมากเลยนะอันนี้นะแป๊บเดียวเป็นเลยนะนะแป๊บเดียวเลยจะสุคติทุคติไี่แป๊บเดียวจริงๆรนะอันเป็นภัยเนี่ยเป็นภัยเฉพาะหน้าที่ที่คิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตื่นขึ้นมาก็คิดก่อนนอนก็คิดว่านี่ยอีกหนึ่งวันแล้วนะ อีกหนึ่งวันแล้วนะผมผมคิดตลอดเวลาเลยผมผมประเมินดูแล้วนะผมผมขอแนะนำหนี้นะผมขอแนะนําว่ายังไงยังไงเราก็ต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนของที่พระพภุทธาัตัดไว้ไม่มีทางเลี่ยงเลยคือเรื่องเบื้องต้นของพรหมจันทร์นี่นะฮะคือจะต้องหนึ่งนะจะต้องเราต้องศีลสิกขาเนี่ยเราจะต้องทําให้ได้ เรืศีลสิกขานี่จําเป็นมากๆเลยนะถ้าศีลถ้าศีลเราไม่ดีไม่ดีพอนะครับก็ข้ออย่าหวังเลยที่จะจะไปพิจารณาธรรมะที่สูงๆอย่างนั้นเนี่ยนะฮะถึงจะพิจาราก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี่นะฮะผมก็อยากจะแนะนําว่าศีลเนี่ยนะฮะขอให้เริ่มนะแล้วต้องเข้าใจศีลดีๆด้วยนะฮะแล้วก็กรรมสกตาปัญญาท่านบอกว่าเบื้องต้นแห่งพรหมจัรย์คือศีลและทิฏฐิที่ตรงเนี่ยนะ ทิฏ ท, ที่ตรงคือว่าศึกษาเรื่องกรรมมากๆนะนะกรรมก็มีในตำราก็มีแล้วนี่นะกรรมทิพสองเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ดีนะฮะถ้าหากว่าศีลดีนะแล้วเข้าใจเรื่องกรรมดีๆนะครับ อ, อันนี้จะเป็นเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้การศึกษาต่อไปเนี่ยค่อยๆเป็นไปเองนี่นะ<ม>แต่ถ้าหากว่าศีนท่านยังไม่ดีเนี่ยนะศีนท่านยังไม่ดีนี่ก็ ก็ยาก<ม>นะก็ยากที่จะศึกษาในระดับสูงขึ<ม>้นไปผมก็คงจะสรุปได้เพียงเท่า น, นี้ครับใครจะไม่เห็นด้วยมีไหมมีไห ม, มครับคือที่ถามเนื่องจากว่าบัพทานนี้มันเป็น<ม>บับผ้าสุดท้ายน<ม>ันะนะจะว่าเรียนกันไปถึงไหนแล้วคือคือเจริญขนาดไหนการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะนะ หลักการการพิจารณาการมุมมองเนี่ยมีมากนะซึ่งแต่ละมุมมองในการพิจารณานั้นไม่ควรที่จะละเลยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะอย่างเท็จกล่าวว่ากัลยาณมิตรนี่เป็นทั้งหมดของของพรหมจรรย์นนะการเกี่ยวข้องกับบุคคลเช่นใดก็ทำให้เรามีส่วนที่จะเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน ถ้าเราครบกับผู้ที่เขามีความภาคเพียรวิริยนีศีของเราก็มากถ้าไปคบกับคนที่นรกไม่ค่อยร้อนเราก็จะนึกว่านรกมันเย็นตามเข้าไปด้วยอย่างไงคือมันมันมันติดเชื้อกันโดยอุปนิสัยธรรมะเขาเรียกว่าปกตูปะนิสยาปะจัยการเกี่ยวข้องการคลุกคลีกับคนเนี่ยนะซึ่งถ้าหากว่าการศึกษาของเราเนี่ยนะ ถ้าไม่ค่อยชัดเจนนะ่นนะก็ยากที่จะลำบะายากที่จะศึกษาวิชาอื่นๆทั่วไปคือที่กล่าวเนี่ยหมายถึงว่าขอมานี่ไม่ใช่เป็นเป็นลักษณะแบบผู้สอนนะไม่ได้ทําตัวเป็นผู้สอนถ้าเขามีใครถามว่าสมมตินะถ้าระหว่างเดินทางมาเนี่ยถ้าเขาถามว่าขอมาไปไหนขอมาจะบอกว่ากําลังจะไปเรียนอยู่คือตอนเนี้ถือขอมาถือว่ามาเรียนเหมือนกัน เพราะว่ามีตั้งหลาอย่างที่เราจะต้องขวนขวายที่จะต้องที่จะต้องรีบทาเพราะว่าถ้าอีกไม่นานเนี่ยนะขอมา ก, ก็คือจะอายุจะมากเท่ากับหลายๆท่านนะณนะที่นี้เนี่ยนะพาะถ้าจากวันนี้ไปถึงอายุป่านนั้นเนี่ยเราจะเรินอะไรอยู่ เ, ยเพียงพอไหมคุม้มคุมไหมชีวิตนเนี่ยนะก็ก็เลยเอามาถามว่าจะเรินไปถึงไหนอะไรขนาดไหน คือมีแนวโน้มว่าจะเจริญขึ้นหรือว่าจะเสื่อมลงเนี่ยนะในขณะเดียวกันก็ก็เท่ากับบอกด้วยว่าวัดผลว่าเราจะครบหรือจะเลิกครบด้วยในตัวเนี่ยนะควรจะได้เกี่ยวข้องกันต่อไปหรือว่าเกี่ยวข้องให้มันน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้นี่คือเล่าเล่าบอกความรู้สึกให้ฟังแนะว่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าหากว่าไม่ค่อยเจริญเลย ของมาก็แสดงว่าเสื่อมลงเหมือนกันนะก็กำลังอยู่ในประเภทหานะภาคยะศึกษาพระธรรมเนี่ยมีอยู่4ประเภท 1. หานะภาคยะเรียกว่าดูจะเสื่อมลงทุกวันทุกวันอย่างหนึ่งนะงทิติภาคยะก็คือทรงอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมเนี่ยนะเรียกว่าทรงอยู่อย่างที่สก็เรียกว่าวิเศ ษ, ษาภาคย ะ, จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะดีขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยนะ คุนายบอกเจริญขึ้นอย่างเดียวนะก็อย่างที่สี่เคือวันนี้เพทักฮิา ค, าคยะเนี่ยใกล้บรรลุแล้วเรียกว่าน้อมไปเพื่อการตรัสรู้น้อมไปเพื่อเพื่อการบรรลุเน้นในการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าถ้าการศึกษาที่ถูกที่ต้องนั้นน่ะความเจริญจะต้องมีมียิ่งขึ้นถามว่า อ, าอะไรเป็นเป็นเครื่องวัดนะัะนนะธรรมะที่เป็นเครื่องวัดที่เราคุ้นเคยเลยก็คืออินทรีย์ห้า เป็นเครื่องวัดเนี่ยนะศรัทธาที่เรามีต่อพระรัตนตรัยเนี่ยมากขึ้นไหมศรัทธายังไงเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อตรงไหนเชื่ออะไรทําไมจึงต้องเชื่อไม่เชื่อไม่ได้หรือแล้วเชื่อแล้วดีตรงไหนเห็นไหมมีผลอย่างไรทําไมเราจะต้องเพียรเพียรทําไมเราก็อยู่สบายสบายไม่ได้หรือเพียรขึ้นไหมอะไรยัยงไะ สติเราเป็นยังไงเราเ ล, ลือกอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกรรมดากรรมขาวมันชัดเจนมากขนาดไหนตกอยู่ในความฟุ้งซ่านไหมอริยศาสตร์เนี่ยใกล้หรื อ, อยังที่จะเห็นเพราะอย่างวิชาที่เราเรียนมันถือว่าเป็นวิชาสูงสุดในในศาสนานี้แล้วนะอย่างบัพพาเนี้ถือว่าเป็นบัพพาสุดท้ายที่เรียกว่ามีการปรับอินทรีย์บ่มอินทรีย์มาสรารภาพอย่างเนะ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยดูว่าควรจะเจริญขนาดไหนซึ่งก็ทุกคนก็จะมีเหตุผลส่วนตัวที่เรียกว่าไม่ค่อยเจริญก็ไม่เสียหายเนี่ยนะคือคือต้องการอธิบายอย่างนั้นว่าเจริญได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะหลายๆคำเนี่ยต้องการอธิบายคํานั้นอยู่อ่าด้วยด้วยการเอาเหตุผลหลายๆเรื่องมาว่าที่เจริญได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรก็ก็ยังดี นนะก็ยังดีกว่าไม่ได้เจริญก็ว่างั้นเถอ ะ, อะตรงนี้นี่ถ้าถ้าจะแนะนำาก็บอกว่าเป็นความคิดผิดอย่างมากๆเลยเรียกว่า ม, มากจนไม่รู้จะมากยังไงแล้วคืออย่าลืมว่าหลายๆเรื่องเยนะโอกาสมันมีชั่วคราวจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะที่เราจะมีโอกาสได้ปฏิบัติหรือได้เจริญสิกขาเนี่ยมีชั่วคราวถ้าอ่านในพระธรรม หลายๆสูตรในท่านกล่าวว่าสัตว์ที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะจำนวนน้อยมากเลยที่จะมีโอกาสเป็นมนุษย์อันนี้เป็นของยากอันหนึ่งก่อนอย่างเนี่ยนะในบรรดาหมูสัตว์หาประมาณไม่ได้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากทีนี้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะจะได้เกิดในจั ก, กรวาลที่เรียกว่ามงคลจั ก, กรวาล น, นี่ยยากจั ก, กรวาลทางผู้ศาสนากล่าวว่าไม่มีที่สิ้นสุด ไม่รู้หลุดจั ก, กรวาลไปอยู่จั ก, กรวาลไหนไม่ทราบเนี่ยนะแต่ถ้าถามว่าขาดกระทางโลกไหมบอกไม่ขาดเลยเมื่อเขามีไอ้แผนที่จั ก, กรวาลมาดูแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งเขาเอามาได้แค่บางส่วนเขาบอกว่ารัศมีการเดินทางเท่าไหร่เาบอกว่าหลายล้านแสนปีแสงนยหลายล้านปีแสงหลายล้านล้านปีแสงว่ามันห่างจากดวงหนึ่งไปอีกดวงหนึ่งเนี่ยนะเขาคำนวณได้ขนาดนั้น อ ไ, ไอ้ล้านปีเราก็นับไปเยอะเลยใช่ไหมล้านของปีแสงแล้วแสงเนี่ยเดินทางวินาทีหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยนะก็ 86,000 นี่นะทีนี้ก็คํานวณดูว่าแล้วอ่หสิบวินาทีเป็นหนึ่งนาทีใช่หมหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงยีิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันสาสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีสิบเออคือว่าอย่างเนี่ย เป็นล้านล้านปีแสงแล้วถามว่านั่นหมดหรือยังบอกเอามาได้แค่บางส่วนอีกนั่นแหละไม่มีใครสามารถเอามาโดยสิ้นเชิงได้ น, น, นี่นะเพราะนั้นคือจั ก, กรวาลมันมากขนาดนั้นที่เราจะได้เกิดในมงคลจั ก, กรวาลหรือจั ก, กรวาลอย่างเนี้ยากที่มาเกิดในจั ก, กรวาลเนี่ยนะโดยประวัติศาสตร์แล้วอะศึกษามามียุคไหนสมัยไหนที่มีพระพุทธเจ้ามีไหม ค่าท่าแบบประวัติธรรมดาเลยนะก่อนหน้านี้นะก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะมาเกิดเนี่ยเจอไหมว่าก่อนหน้านี้มีมีเมื่อพุทธันดอนก่อนนะนะแต่ว่ามันห่างกันเป็นหลายล้านล้านปีอะ่ะเนี่ยแล้วก็ถ้าจากนี้ไปนะไปหาพระศรีอานขึ้นมาอีกองคหนึ่งเนี่ยนะอีกนานเท่าไหร่เรียกว่าโอ้หอีกหลายพันอีกหลายล้านล้านปีเลยนะ พเพราะแผ่นดินอย่างน้อยหนาะอีก16กิโลเมตรถึง20กิโลเมตรแต่เชื่อว่าประมาณสัก20กิโลเมตรเนี่ยพระสีอานจึงกระมาแล้วทำไมคำพีของปาาก็ดูลักษณะพระพุทธเจ้ามหาภุริสักมหาภูริสักข์ขนาดทำไมาไปอยู่ในคำปีของปาป้ะคนระับอันนั้นเรื่องมันยาวเดี๋ยวก่อนทีนี้ <c oughs> เนี่ยนะมีอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นนะที่จะได้เกิดที่พระพุทธเจ้าจะมี แล้วนานมากเลยนะที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยในบรรดาที่เรียกว่าไข่ปลาเป็นเนี่ยมากมายอ่ะไข่สัตว์เดรัจฉานมากมายสัตว์เกิดที่อื่นมากมายเนี่ยที่เราหลุดมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแล้วเป็นมนุษย์นะถ้ามีอายตนะครบบริบูรณ์ขนาดนี้ก็ยากแล้วทางจิตอีกนะถ้าเราศึกษาเรียนเรื่องปฏิสนธิจิตมาดีๆเนี่ยมีอยู่19ประเภทไอปฏิสนธิจิตที่มันใช้งานจริงๆได้ไม่กี่ประเภทเ อหตุกะปฏิสนธิใช้งานไม่ได้เอามาศึกษาพระธรรมไม่ได้ทวีเหิตุกะปฏิสนธิก็ยากั้งตีเหตุกะปฏิสนธิทีนี้นติเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะที่ที่เรียกว่าดีหน่อยเรียกว่ากรรมไม่บงังกรรมไม่เบียดนะนัได้ดีสุขภาพดีเยี่ยมบริบูรณ์แล้วมาเจอยุคสมัยที่มีคําสอนเนี่ยนะเจอพบเจอพระพุทธเจ้าเป๊ะเนี่ยเนี่ยนี่ยากมาก เนี่ยนะหนึ่งเป็นคนพอมีสติมีปัญญาภาษาสนาก็ยังอยู่พระมหาสิวท่านอุปมายอย่างนี้ว่าเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งกลางทะเลเ น, นี่ยนะร้อยปีมันโผล่ไปทีหนึ่งอะแล้วก็มีบุรุษยืนอยู่ควละฟากจักรวาลเลยสี่จักรวาลเนี่ยบอกว่าแล้วก็โยนบ่วงไปสวมคอเคลาะพอดีเลยนะอัน น, นความยากอันหนึง่ง คนที่ตะวันออกโยนนะคนที่ใต้ก็โยนมาสวมอีกคนที่ทิศตะวันตกก็โยนมาสวมอีกแล้วก็คนที่สี่โยนมาสวมอีกอบอกว่าการที่เราเกิดเป็นมนุษย์ยากเหมือนกับที่ว่าโยนบ่วงนะไปโดนเนี่ยนะคือถ้าชุดบาสบาสเกตบอลนะนะอันนั้นไม่ค่อยยากอันนี้ยากกว่าหลายพันล้านเท่านักทีนี้เป็นมนุษย์แล้วอยู่ในช่วงมีพระพุทธศาสนาเนี่ยนะอันนี้ยาก แล้วอยู่ช่วงมีพระศาสนาแนละ้วเรามาดูว่าคนยุคนี้ได้ศึกษากันศักเท่าไรขนาดมีพระศาสนานะที่ได้ฟังทรรมได้ฟังอริยสัจธรรมเนี่ยนะมีศักเท่าไรปริมาณน้อยเต็มทีซึ่งแนวโน้มตอนนี้เนี่ยนะคำสอนในพระไตรปิฎกหมดแน่นอนอันนี้นี่คือเขามายังนึกไม่ออกว่าเจริญได้ยังไงเห็นแต่ความเสื่อมแต่ยิ่งอ่านหนังสือผู้การด้วยแล้วเห็นชัดเจนเลย ถามมาชัดยังไงชัดตรงที่ว่าคนไม่มีสารณะแล้วตกจากสารณะมากเทียงแม้กระทั่งพระพุทธพจน์ไม่ยอมรับพระพุทธพจน์แล้วเนี่ยนะพยายามที่จะค้านนั้นใครที่ค้านพระพุทธพจน์ได้คนนั้นประสบความสำเร็จเป็นที่ยกย่องของหมูชนใครออกมาปฏิเสธได้เท่าไหร่คนนั้นจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะช่วยช่วยกันบิดพระพุทธพจน์ที่สุดเท่าที่จะทําได้ร่วมกันปฏิเสธในที่สุดใครที่ศึกษาตามปฏิบัติตามเรียนตามเจริญตามพุทธพจน์จะเป็นที่คอรหาของหมูชนถ้าใครเป็นคนที่บิดเบือนพระพุทธพจน์เก่งมากที่สุดอะไรที่สุดนะเป็นที่นับถือของหมูประชาชนเนี่ยนะประชาชนเห็นอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นที่จะได้ฟังพระธรรมนี่ก็ยาก ทีนี้ได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะค้อมาเชื่อเลยว่าเข้าแยกไม่ออกหราอะไรเป็นพระธรรมไม่ใช่พระธรรมเข้าแยกไม่ออกอะไรเป็นคําสอนไม่ใช่คําสอนเข้าแยกไม่ออกจริงๆจะกล่าวไปใหญ่ถึงการบรรลุของเขาเรานี่ยนะท่านทีนี้เราก็มาดูวัดผลในกลุ่มเราเองที่เรียนเนี่ยนะมันมันควรจะอยู่ในระดับไหนเนี่ยนี่ยนะว่าดูจะเสือ่อพระคําสอนเนี่ยเสื่อมจากเราก่อนหรือว่าเสื่อมจาก ผู้ใดก่อนแต่ของมาโดยส่วนตัวแล้วนี่นนนคือตั้งความปรารถนาว่าขอเราอย่าเสื่อมจากคำสอนจะด้วยเหตุผลใดก็ตามว่าเราต้องไม่เสื่อมจากคำสอนอันนี้คือสิ่งที่เราสมทานเอาไว้เนี่ยนะใครจะสบายสบายก็ตามแต่เราจะเพียรใครจะไม่รีบแต่เราต้องรีบเนี่ยนะใครจะช่วยเราจะร่ดเร่ง ใครจะว่าไม่เป็นไรเรายิ่งต้องรีบเนี่นยนะ ที่ไปอยู่บางทีมันเลื่อนไม่ได้นะคะที่ท่านบอกว่ามันต้องครบกับบุรุษที่ที่มันแนวเดียวกันใช่ค่ะแล้วในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไปฝืนจนกระทั่งฟิลขาดฟิลขาดในบ้านอย่างเงี้ยะมันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ใช่อีกแล้วถ้าหากเราจะเป็นทุกข์ว่าวันนี้ฉันไม่ทําอุ๊ยจะตายแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่อีกป่วยอีกนะป่วยหนักไปกว่านั้นนี่คือจะไม่ได้อะไรเลยนะ ตอนี้สิ่งที่ทําได้ขณะนี้คือว่ามันต้องทําใจให้สบายว่าเอาเถอะฉันทําได้แค่นี้ก็ควรจะพอใจเพราะเราไม่สามารถจะทําได้มากกว่านี้อถ้าไปเดือดร้อนกันนี้เดี๋ยวจะป่วยแค่ก่อนใช่ค่ะเ <c oughs> พราะว่ามันป่วยกายแล้วถ้าเราป่วยใจอีกด้วยเราถ้าจะถ้าจะเป็นเอามากเป็นเอามากเหมือนกันนะต่นี้คือเข้าใจนะว่าท่านอาจารย์เนี่ยตั้งใจเวลาฟังด้วยความที่ตัวเองนี่เป็นผู้สอนหนังสืออยู่เก่านี่นะเวลาไปฟังเทพหรือเห็นเอกสารของท่านเ <c oughs> นี่ยมีความรู้สึกว่า ท่านมีความพยายามจริงๆที่อยากจะให้เรารู้แล้วก็เทพแต่ละม้วนที่ฟังนีนี่นี่กลับไปย้อนตอนนี้ไปย้อนอนานาปานาสติกก็มีเสียงผู้การพูด ย, ย, ย, ยังยังมีถึงเรื่องอ่าต้องเจริญเมตตาเมตตาต้องเจริญมรณานุสติอะไรเนี้ยต้องเป็นประจำอะไรเงี้ยนะคือท่านก็พยายามที่จะเตือนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถามว่าอยากทำไหมอยากแต่ว่าด้วยอาด้วยความเป็น คาราวาที่มีเรือนและต้องรับผิดชอบมันก็ต้องสิ่งนั้นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าหากเราบอกต่อให้บ้านเละเอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ยิ่งไปไหนไม่ได้เลยนะคะคือสิ่งที่จะทำได้ก็คือว่าเราต้องพยายามบริหารบ้านเราให้เรียบร้อยแล้วก็บริหารตัวเองแล้วก็บริหารเพื่อที่ไม่ให้เขาเดือดร้อนมากนัก เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสมานั่งฟังอย่างสบายใจเพราะทุกครั้งที่ทําบุญแล้วสิ่งที่ก่อนนี้ไม่เคยไม่เคยอธิษฐานอะไรนะอาารว่าขอให้ฉันได้มาฟังธรรมด้วยความสบายใจเท่านี้เองที่เคยขอไม่เคยคิดว่าจะ บ, บรรลุบรรลุอะไรไม่เคยคิดเลยนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับตัวเราในขณะนี้ว่าเราได้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นไปก่อนถ้าหากเราไปหวังสูงเกินไป เราถ้าจะเป็นทุกข์มากเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าเราตั้งความหวังได้แต่ว่าเหมือนกับว่านักวิ่งสุดท้ายเราอาจจะวิ่งไปถึงหลักชายคนสุดท้ายก็ได้แต่ว่าเราก็ยังถึงเราก็ยังยังยังยังเป็นไปได้นะคะคือเราก็คงต้องเป็นตามสภาพของเราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากไปนะคะยังรู้เหมือนกันว่ามันไฟไหม้อยู่แต่ว่าเราจะสลัดบางทีเราทาไม่ได้ถ้าเราทาได้ก็คงจะ จะดีนะคะเพราะมันค่อยๆไหมทีละเส้ น, นคือมันที่มันไหมทั้งหัวเลยค่ะไม่รู้จะดับตรงไหนก่อนมันร้อนได้หมดเลยค่ะคือพอฟังอันนี้ก็เออนี้เราน่าจะทําทํำไมเราไม่ทํานะเออเรามวัวไปทําอะไรอยู่นะคือก็คิดอยู่งี้เหมือนกันแต่ว่าเออเอาละเราได้แค่นี้เราก็ควรจะดีใจแล้วนะเราจะเป็นทุกข์ไปมากกว่านี้เราก็ยิงป่วยหนักเข้าไปอีกค่ ะ, <ม>ะกังวลมากไปอีกเราจะไม่ได้อะไรเลยเราต้องพอใจสิ่งที่เราได้เท่าที่เราได้ค่ะ เธออ่นะกับหลายๆคนเนี่ยนักเรียนในห้องเราเนี่ยเข ม, มาก็คิดว่าตามันคงไม่ถึงขนาดเป็นถั่วไปแล้วมั้งยังไม่ถึงกับเป็นถั่วนะเข้าใจว่างั้นอนะันนี้เข้าข้างตัวเองนะว่ายังไม่ถั่วขนาดนั้นอย่งนั้นนอะเขาคิดว่าพงพอเข้าใจอะไรเป็นอะไรอ่านะคือทําให้ว่าในบางคนที่เข้าภาคเพียนเขาก็เพียนจริงๆ นะนะพที่ความพยายามก็พยายามจริงๆทีนี้มันมีเรื่องเล่าว่านะมีเรือลำหนึ่งเข้า <c oughs> จะไปเพื่อข้ามฟากกันนะทีนี้ไอเรือลำเนี่ยมันก็จะต้องมีกำหนดเวลาที่จะต้องถึงฟากภายในเวลาเท่าไหร่เนี่ยนะพายสมมติว่าเอานะภายในชั่วโมงนี้ต้องถึงฟากนะ ถ้าคําว่าไอผู้โดยสารยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยจะว่าไงทำไงนะน่นนะก็ก็ส่วนใหญ่นะก็บอกให้รอเที่ยวหลังก่อนนั่นพันก็เจ้าของเรือนี่ดูท่าจะแจ้งมันกันนะถ้าคอยอยู่นั่นน่ะนะ โครงการดูใกล้จะบริษัทเรือนั้งใกล้จะล่มจมแล้วอาจารย์อธิบายทำไมคำปีดูลักษณะพระเจ้าอยู่ในศาสนาพรามยังเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องที่คุยให้มันจบเลยเนี่ยนนเดี๋ยวคุยนอกเวลาบ้างดิคือในการศึกษาพระธรรมในยุคนี้นะเป็นยุคที่ที่สับสนทางข้อมูลมากๆเลยในในยุคนี้เนะีย ทางโดยแม้กระทั่งแค่ข้อมูลที่จะศึกษานะมันสับสนอันที่จริงแล้วธรรมะเนี่ยถ้าถ้าตามกล่าวตามคำสอนเนี่ยถ้าค่อยคอยเรียนแล้วก็ทรงจาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวนะขอมาเชื่อว่าไม่ยากไม่สู้ยากนะักเรียนได้แต่ที่มันยากก็คือความเห็นมันคือคือเป็นคนหลงทิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะอันนี้แหละที่ ท, ที่มันเลยมันค่อนข้างสับสนความชัดเจนไม่ค่อยมี เมื่อความชัดเจนไม่ค่อยมีเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นความลำบากของการเจริญและการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งอย่างข้อมูลที่ที่เรามีอยู่เนี่ยนะของมาเชื่อว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ฟังมากถ้าถ้าเทียบในยุคเดียวกันเนี่ยเอายุคคุณปู่ด้วยอ่ะเนี่ยนะก็เอาถามบุคคลเลยว่าเคยไปฟังที่ไหนมันมากอะไรมากมายตอนนี้มีไหมมีเนี่ยนะแม้กระทั่งพระที่บวชเข้ามานะบางทีเนี่ย ฟังคําสอนจากอาจารย์อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองวันพระละครั้งเท่านั้นเองเนี่ยนะถ้าถ้าถ้าเราจะมาเปรียบแบบเราเราเนี่ยนะก็มาห้องในห้องก็ฟังกลับบ้านก็ฟังเทพเป็นต้นเนี่ยนะกระต่ปิดกก็อ่านซึ่งนักว่าหั เ, เรียนเยอะนะเป็นเป็นพหูสูดกันกันมากแต่ทีนี้เราก็มาดูว่าความชัดเจนในการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยเรามันมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไง ที่ที่เราจะต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้เข้าใจให้ชัดเจนช้าไม่เป็นไรสำคัญที่ว่าเราเข้าใจชัดเจนไม่ว่าคำสอนจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะเราคงพอจับหลักได้แล้วใช่หว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะสอนอะไรสอนเพื่ออะไรแล้วเราต้องเจริญขนาดไหนอย่างที่คำถามตอนต้นที่ว่าทำไมเราเจริญได้ไม่ค่อยมากหรือไม่ค่อยได้เจริญเนี่ยนะ ก็เหตุผลหลายๆท่านก็กล่าวก็ถูกต้องตามตามสภาวะของของชีวิตนั้นจึงอยากจะแนะนำบอกกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าโอกาสที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามมีไม่มากเนี่ยนะมีไม่มากจริงๆเพราะชีวิตของเราทั้งหลายไม่มีใครเอาอะไรมากำหนดเลยใช่ไหมว่าผู้การอายุเท่าไหร่เนี่ยนะถึงหมอดูก็พยากรณ์ไม่ได้ถึงพยากรณ์ได้ก็ว่ากันคร่าวๆเท่านั้นเยไม่มีใครรู้จริงหรอกว่า ชีวิตของศาสทั้งหลายควรจะอายุเท่าไรแต่เนื่องจากว่ากรรมสกตาเราไม่ดีพอเราเอาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมามาคิดน้อยไปเราก็เลยดูเหมือนกับว่าปลอดภัยนซึ่งจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคนที่ปลอดภัยเนี่ยคือพระโสดาบันบุคคลอื่นๆไม่มีความปลอดภัยโดยประการทั้งปวง อย่างที่ถามว่าถ้าเรามีเสียงรถตุกๆอย่างนี้แล้วจุติตอนนี้เลยควรจะเกิดที่ไหนเนี่ยนะซึ่งมีข้อแม้ว่าถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วก็ลืมไปเลยเนี่ยนะ ก, ก็อย่างว่ามีสมองแบบนอนน่ยนะถ้าถ้าแต่ยกแบบสมองแบบเนี่ยนะก็มีสมองเท่าหนอนเท่าปลาเนี่ยมันก็ฉลาดคิดเท่าปลานั่นแหละสมองโตกว่า น, นั้นก็ลิงใช่ไหมมันก็คิดได้เท่าลิงอ่ะ น, นะถ้าเราก็จะคิดแบบลิงอ่ะงั้นเถอะถ้าไปเกิดณฐานะานั้นๆ เป็นจิ้งหรีดเป็นจักจั่เรไรก็ไปคิดได้เท่านั้นจริงๆเพรันโอกาสที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์ที่เราได้แสนยากเหล่านี้เนี่ยนะควรที่จะใช้ให้มันคุ้มที่สุดเท่าที่เท่าที่จะได้โดยเฉพาะการพิจารณาอริยสัจ ธ, ธรรมเนี่ยนะมันเราต้องตั้งเป้าในการพิจารณาเอาไว้เลยเนี่ยนะกำหนดตารางการพิจารณาเอาไว้เลย เพราะถ้าพิจารณาอ่อนเท่าไหร่นะการที่เจริญงอกงามในศาสนานี้ก็น้อยลงไปเท่านั้นอย่างการพิจารณาขันห้าเนี่ยนะโดยเฉพาะชาติติทุกเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์อันที่จริงขณะเกิดนี่มันทุกข์ไหมไม่ทุกข์หรอกขณะเกิดนะแต่ว่าหลังจากนั้นนี่นะเป็นเรียกว่ารองรับความทุกข์สารพัด ท, ทุกข์เข้ามาเปรียบเหมือนว่า ในตอนจับเข้าตารางเนี่ยนะขณะเข้ามันไม่เท่าไรหรอกใช่ไหมเข้าตารางนะแต่ว่าหลังจากนั้นสิเนี่ยนะหลังจากอยู่ในตารางไปแล้วเนี่ยนะอนหลังจากนั้นนะก็ความทุกข์ทั้งหลายก็จะเริ่มประดังเข้ามาประดังเข้ามาทีนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในโมในวัตาะทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งมีความเกิดเป็นปจัจจัยความเกิดนั่นมาจากไหนก็มาจากกรรมแล้วเราเข้าใจเรื่องกรรมขนาดไหน คนที่รู้เรื่องกรรมดีนะที่ไม่เต้นผังอะไม่มีหรอกที่ไม่ร้อนเนี่ยไม่มีอะนะเหมือนเหมือนอย่างว่าคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยติดคดีบานไปหมดเลยนะมีผู้คอยจ้องเราเนี่ยเป็นพันพันคนเนี่ยที่จะเล่นงานเนี่ยนะถามว่าเรานั่งยิ้มด้วยความสบายใจได้ไหมไม่ได้เจตนาที่เราทำเอาไว้ที่เตรียมจะเล่นงานเราเนี่ยนะเจตนาของเราเนะี่ย มากกว่าเป็นพันล้านอ่ะที่คอยจ้องจะเล่นงานอยู่ว่านี่ดีนะแกแกมีบุญนะฉันปล่อยแกไปก่อนแล้๋ยวแกหมดบุญนะฉันจะเริ่มเล่นงานแนละ้วจะเลือกเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมเลือกตรงไหนก่อนละ่ะก็แล้วแต่คนคนไปนะั้ยใครในนี้ก็เลือกเขาได้ก็กัดเขาก่อนยำนองโดนตรงไหนความดันก่อนหลายเรื่องเลยนะ ใช่ทั้งภายในทั้งภายนอกอะนะมันก็เริ่มเล่นงานอย่างเงี้ยนะในที่สุดเนี่ยถามว่าถึงเราจะไปสวรรค์มาอยากจะถามจริงๆคุณจะอยู่ในสวรรค์กี่ปีมันเปรียบเหมือนว่าคุณก็เ้เนี่ยฉันปลอดภยลยลัยแล้วแ่ะแผ่นดินมันจะไฟไหม้ก็ไม่เป็นไรฉันซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วถามว่าคุณจะบินอยู่บนฟ้าได้กี่ชั่วโมงเวงังเนน่ยไม่ตกลงมาอีกเลยเนี่ยนะอันนี้แหละที่เรียกว่าจะต้องเจริญให้มันเพียงพอ ในปริมาณเวลาที่มันจำกัดหลายๆคนเนี่ยนะอ้างเหตุผลสารพัดเรื่องที่ที่ไม่ค่อยได้เจริญกุศลหรือเจริญได้ไม่เท่าไหร่ก็เนื่องจากมีเหตุผลจากภายนอกแต่นี่ว่าเขาบอกว่าถ้านรกมันไหมเนี่ยนะบุคคลอื่นจะช่วยเราเราจะช่วยอะไรเราได้น่นะซึ่งถ้าไม่คิดอย่างนี้นะเราก็เอาเหตุผลจนไม่ต้องเจริญ กุศลเราก็บอกว่าทำเพื่อคนนั้นทำเพื่อคนนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าในคัมภีร์เปรตตัวัตถุอยู่เรื่องหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเขาสังสมรับเอาไว้ปริมาณมากกว่าจะได้ทซั์เต็มที่ก็ได้มาด้วยไม่ใช่สุจริก็ทำทุจริตกลับมาทีนี้ด้วยกรรมมานั้นแกก็เกิดเป็นเปรตลูกหลานสบาย <c oughs> ลืมเลยว่าพ่อเป็นเปรตนะเคยมีความนึกคิดเลยว่าพ่อเป็นเปรตอยู่ตอนนี้ หลักเขาก็เลยไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้เปรตมันก็วอยวายเขาจะไปได้ยินอะไรด้ว ย, ยนะว่าเนี่ยนะชั้นอุตสาหามาแกน่าจะทำบุญอุทิศไปให้ชั้นบ้างเนีย่ยนะคือในสภาวะเช่นเราเราทั้งหลายเนี่ยเราคิดหรือว่าถ้าเราเจริญเอาไว้ไม่พอในหลายๆเรื่องอะนะลูกหลานของเราเนี่ยแน่ใจหรือว่าเขาจะจะกรวดไปให้คุณนายแน่ใจนะว่าเจ้าเจ้าจะจาดน้าไปให้จริงๆ มันค่อยแน่ใจเลยนะแล้วก็ะอะไรที่เจริญได้ก็เจริญว้ยเถอะ ใ, ใ, ให้เพียงพอจริงๆเพราะทําไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคือคือมันลำบากจริงๆนะ น, นี่ไม่ได้พูดอะไรนะแต่แต่ว่าเล่าความจริงให้ฟังว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งทุกคนเป็นของเฉพาะตัว พุทธพุทธพจนที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยนะมันเป็นของเฉพาะตัวจริงๆเลยเนี่ยนะมันเป็นของเฉพาะบุคคลเลยจานแดงก็ไปส่งแม่ตรงตาเหวแค่ น, นั้นแหละไม่ไปเลยไปกันนั้นหรอกนะน้องมาก็ไปถึงแค่ตาเหวตรงนั้นแหละส่งมากกว่า น, นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหม